เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านพระผู้มีพระภาคตรัธรรมที่ก่อนตรายว่าเป็นธรรมก่อนตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่อนตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นพิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมุปพัสจนครบสามครั้งเพื่อให้สละทิฐินั้นถ้าเธอกําลังถูกสวดสมุปพัส กว่าจะครบสามครั้งสละทิฐินั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัดปายจิตตีเรื่องพระอริธาจบ